ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีแม่ยกมือน่อไม่เคยเลยสีด็อซีดีอยู่ทงยูทูปก็ไม่เคยมีไม่มากามีแอบยกเตี้ยๆอีกหน่อยตันนี้คนประเทศอื่นเขาก็มาฟังนะคนไทยไม่ฟังเนี้ยช่วยนะเราคิดว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธ มันเป็นแต่ชื่อไม่ได้เป็นชาวพุทธเฉพาะประเพณีก็ไม่พอศานะสนาพุทธมีอะไรที่ประณีตลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดแค่วันเกิดทิ้งใส่บาตรทีหนึงน่งอะไรอย่างงี้หรือเวลาตายหามไปเผาในวัดไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธหรอกนะเดี๋ยวนี้ก็ทั้งหมานะบางวัดนะ่ะเขามีเผาศพหมาด้วยคนะ่าเผาแพงนะชิดละทา น่าจะพอๆกับคนมีพระไปสวดเลยงั้นไม่ใช่แค่ไปเผาศพในวัดก็เป็นชาวพุทธได้นะหมาย่งางไฟเผาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะเป็นชาวพุทธทั้งทีเราก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรารู้ว่าคำสอนของท่านนะมีคุณค่าเราลงมือปฏิบัติเราได้ริมรสชาติของธรรมะ ถ้าเราได้รู้จักรสชาติของธรรมะแล้วเราถึงจะเป็นชาวพุทธได้เงี่นเราก็ศรัทธาของเราก็แว่งไปแข่งมาศา ส, สนาพุทธเหมือนอะไรอย่างหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่รู้ว่คืออะไรเราบอกเราเป็นพุทธเป็นพุทธนะธรรมะพูดธยังไงตอบไม่ถูกกันตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าสัมมาทิฏฐิยังมาไม่ถึงใจเราน เราก็ยังไกลจากการเป็นชาวพุทธ ย, ยังสิ่งที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนเพื่อพัฒนาสมาทิฏิให้เกิดขึ้นในใจเราสมาทิฏิมีหลายระดับเบื้องต้นในอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระอรหันตสาวกที่ครูบาอาจารย์สืบทอดกันมาคําสอนในพุทธศาสนาไม่ได้มีเฉพาะของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเองนะ พระเจ้าบางครั้งท่านก็ให้พระษาวกแสดงธรรมธรรมะดีๆเด็ดๆนะของพระษาวกก็มีเยอะอย่างพระอาสชินะแสดงธรรมไม่กี่ประโยคบอกเยธรรมมาเหตุตรปภวาเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญญโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนติแค่นี้เองนะได้อับครสาวกมาสององค์ได้พระโมคลราาริบุตรมา งั้นธรรมะแท้ๆนะมันก็มีของพระพุทธเจ้าของพระสาวกผู้หลักผู้ใหญ่รวมๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเอย่าไปคิดว่าศาสนาพุทธเป็นแค่พุทธทวจนะไม่ได้แค่ขนาดนะั้นมีกว้างกว่านั้นงั้นถ้าเราเข้าใจผิดเราจะต้องตัดพระไตรปิฎกทิ้งไปบางส่วนเลือกเอาไว้บางส่วนที่ถูกใจถ้าคนหนึ่งตัดได้คนอื่นก็ตัดได้นะสุดท้ายก็ตัดหมด มันต้องหลักการตรงแม่นนะว่าธรรมะแท้ๆตัวสัมมาทิฏฐิแท้ๆเนี่ยเราต้องเรียนก่อนว่าสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เรื่องอะไรนะสัมมาทิฏฐิแท้ๆเลยเรื่องอริยสัจสี่พวกเราเคยได้ยินเรื่องอริยสัจสี่ไหมเราก็รู้ใช่ไหมถ้าเคยอ่านหนังสือเคยเรียนหนังสือหลวงพ่อรู้จักอริยสัจสี่ตั้งแต่เรียนปถมแล้วล่ะสมัยก่อนมันมีวิชาศีลธรรม เดี๋ยนี้ศีลธรรมเสื่อมไม่มีละวิชานี้ก็ทุกสมุทัยนี่ร่อนมักฟังแล้วตื้นฟังแล้วก็ก็เห็นจะมีอะไรเลยนี่จิตประณีตลึกซึ้งที่สุดนะตอนเด็กๆหลวงพ้ออานน อ, อ่านก็สอบได้ะใครๆก็อ่านก็สอบได้แล้วอะไรเป็นทุกข์พวกนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์รักพลากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักะไม่สมหวังนี่เป็นทุกข์ อะไรเป็นสมุททยตัณหาคือความอยากเป็นสมุทยัยอะไรเป็นนิโรดนในตำราของกระทรวงศึกษารุ่นเก่านิโรธว่าตายนิพานนพานนิโรธคือนิพานนพานนิพพานคือตายตอนเด็กๆนะหลวงพ่อบอกไม่เอาเราอยังไม่อยากตายเีสอนกันเพียเพ้ยนๆมาก็มีนะอยู่ในหลักสูตรกระทรวงนั่นแหละแล้วก็อ่านโตขึ้นมาไปบวชวัดชนประธานเป็นนักศึกษา ในบทก็เรียนคิดว่าเข้าใจอริยสัจนึกว่าเข้าใจนึกว่าเข้าใจในสวดมนต์ก็มีนะอย่างของวัดชวนประทานของสายพระอาจารย์พุทธทาสเขาสวดมนต์แปลเขาก็สอนอะไรเป็นทุกข์บ้างรูปเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารอิญญาณเป็นทุกข์หนึ่งในบทสวดมนต์ก็มีแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลย เราเหมือนจะรู้แต่ว่าจริงๆไม่รู้หรอกนันอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดเลยถ้าเราเข้าใจนะเราจะข้ามวัตะได้ข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ย, ยังเบี่ยนไไตเกิดอีกครั้งหนึ่งพระอานนท์นะพระานนตอนนั้นท่านได้พระโสดาแล้วท่านก็ไปถูนพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสุบารนันก็คืออริยสัจนี่แหละ ปฏิจจสมบาทเนี่ยนะที่ว่าลึกซึ้งเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นหน้าพระอ น, อนุลปฏิจจสมบาทหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งนักตามใดที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะยังจะต้องเวียนไวไ่ายไตเกิดอยู่ในกองทุกข์นี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นแล้วเราจะต้องมาเรียนเรื่องอริยสัจให้ได้ทําความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดเอานะเบื้องต้นฟัง อันนี้เป็นปัญญาจากการฟังเรียก ว, ว่าสุตตะมยปัญญาเราไปคิดพิจารณาใค ร, คร้ายวนเรียกว่าจินตมยปัญญาแค่นี้ไม่ทําให้เราพ้นทุกข์หรอกต้องมาก้าวมาสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่เป็นวิธีที่จะเรียนรู้ทําให้ใจเราเนี่ยเข้าใจอริยสัจอย่างแท้จริงซึ่งยากมากเลยนะอย่างท่านสอนบอกว่าที่เรารู้จักมันทุกข์มับ ความแก่เป็นทุกข์ใช่ไหมใครแก่แล้วบ้างในนี้มีไหมตั้งแต่เกิดมาก็เริ่มแก่แล้ว<ม>เกิดอายุหนึ่งวันมันก็แก่หนึ่งวันนะนะความเจ็บเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์เป็นหมตายเป็นทุกข์ตรงนี้นึกไม่ออกเราไม่เคยเห็นสภาวะที่ตายจริงๆริสภาวะที่จิตเคลื่อนจริงๆขณะตายพรักจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์จริงใช่ไหมประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ก็จริงอีก ที่จริงแล้วสิ่งที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นแค่อาการปรากฏของความทุกข์เท่านั้นเองท่านสรุปนําบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันทั้งห้าคําว่าขันคืออะไรขันแปลว่าส่วนภาษาไทยแปลว่าส่วนส่วนร่างกายเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขันทั้งห้าเนี่ยคือสิ่งห้าส่วนที่มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราก็ประกอบด้ร่างกายนี่ก็รูปขัน ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกขนะ์เรียกเบต น, นาขนัน ต, ตัวความจําได้หมายรูนะ้เรียกสัญญาขนันตัวความปรุงดีปรุงชั่วนะเรียกว่าสังขารขนันตัวความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณขันต์ท่านบอกว่าตัวขันต์ทั้งห้าเนี่ยคือตัวทุกข์รูปธรรมนี้คือตัวนะทุกข์พวกเรารู้สึกไหมรูปธรรมนี่คือตัวทุกข์เราไม่รู้สึกหรอก ต้องต่อเมื่อมันแก่แล้วถึงจะรู้สึกทุกข์มันเจ็บแล้วถึงจะทุกข์มันจะตายแล้วถึงจะทุกข์แม้ปกติเราไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์พวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่เคยรู้สึกหรอกว่าร่างกายนี้คือทุกข์นะแต่เรารู้สึกว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจเป็นตัวทุกข์เชื่อไหมจิตใจเป็นตัวทุกข์ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอะไรเพราะในใจเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างบางทีก็มีความสุขใช่ไหม ถ้าเราเห็นแต่ว่ามันมีแต่ความทุกข์นะจิตจะหลุดออกจากโลกเลยนะจิตจะปล่อยวางขันเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามขันห้านี้นะแล้วไม่ไม่ยึดในรูปในนามในกายในใจแล้วเนะี้ยจิตก็หลุดพ้นไปนะซึ่งจะหลุดพ้นได้ต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม งั่นถ้าใครมาสอนกรรมฐานเรานะว่าอย่าไปรู้ทุกนะให้ไปรู้ความว่างนะีทำใจให้ว่างทำใจให้สบายทำใจให้สงบอย่าไปคิดอะไรนะว่างเปล่าความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจ ต, นะตัวแรกที่ท่านให้เราเรียนรู้คือตัวทุกตัวรูปธรรมตัวนมามธรรมคือกายใจที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละคือตัวทุก หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้นะไม่ใช่หน้าที่ต่อทุกข์คือไม่รับรู้เวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็ทําใจว่างๆไปรนะ่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้มีแต่ความสุขความว่างๆอยู่นั่นึองดนั้นต้องระวังในพวกสุญญาตาสุญญาตาเนี่ยนะไม่ใช่คําสอนของพระเจ้านะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเราต้องรู้ทุกข์ให้ได้นะคําว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่แปลว่าต้องไปรู้ความทุกข์ทรามานต่างๆนะ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในทางพุทธศาสนาสําหรับนักปฏิบัติเนี่ยกายใจคือรูปนามนี่เองคือตัวทุกข์ที่หลวงพ่อเรียกว่ากายกระใจนะความจริงไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวเรียกโดยอนุมนันให้พวกเรารู้เรื่องอนุลมเรียกนะรูปรธรรมนามรธรรมคือตัวทุกข์ซึ่งเราไม่เห็นหรอกนะหลวงพ่อก็เลียกมาใช้ภาษาที่พวกเราพอจะเข้าใจได้คือกายกระใจร่างกายนี้พวกเราไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์ เรารู้สึกร่างกายนี้อย่างเกี่งก็ทุกบ้างสุขบ้างเวลาปวดฟันก็มาหาหมอฟันเห็นไหมหาหมอฟันสักพักหนึ่งทำฟันเสร็จแล้วไม่เจ็บไม่ปวดละเนี่ยร่างกายนี้ไม่ทุกข์อีกละเวลาไม่สบายก็ไปหาหมอเพราะหมอรักษาหายแล้วก็เออร่างกายนี้ไม่ทุกข์อีกละเพราะฉะนั้นะนะจะเห็นว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็สุขเห็นแค่นี้เองนะงั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดถือในร่างกายได้หรอกเพราะมันมีทางเลือก เราจะเลือกว่าทํำยังไงจะมีความสุขทําไงจะไม่ทุกขนะ์ใจมันจะดิ้นดิ้นดิ้นไปเรื่อยๆดิ้นรนว่าทํำยังไงจะมีความสุขทําไงจะไม่มีความทุกข์เราต้องมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานน ะ, จะเจริญปัญญาให้ดีแต่ก่อนเจริญปัญญาเนี้ยต้องถือศีลห้าก่อนนะถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุง้งซ่านศีลห้าจำเป็นมากนะนนตัง้งออกตั้งใจรักษารักษาได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าไม่รักษาเลย อย่างเราถือศีลแล้วเวลาเราทําผิดศีลไปบ้างคนชอบมาว่าเรานะไอ้พวกไม่มีศีลมันจะมาว่าแกถือศีลยังไงนี่แกโกหกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะพูดเพ้อเจ้ออีกล้นะเพราะสติเรายังไม่สมบูรณ์นี่ใช่้หมเราก็ทําผิดศีลบ้างดีกว่าคนไม่มีศีลเลยนะอย่างน้อยฉันเหลือศีลดีสีข้อแกไม่มีสักข้อหนึ่งนะแต่เราไม่ได้ถือศีลเพื่อจะไปเทียบข่าเทียบเราหรอกนะเราถือศีลเพื่อว่าเกื้อกูลให้ใจมันสงบ อย่างถ้าเรามีศีลเนี่ยใจจะสงบง่ายคนที่ไม่ทำร้ายคนอื่นมีความเมตตากรุณาจิตใจสงบคนที่ไม่คิดจะขโมยของคนอื่นไม่คิดจะชอบโกงคนอื่นสงบกว่าคนที่อยากได้ของคนอื่นคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบกว่าคนที่คิดนอกใจเมียนะใครเคยนอกใจเมียไม่ต้องยกมือนะหรือใครใครเคยนอกใจสามีอะไรเงี้ยนะจะรู้เลยมันไม่สงบหรอกนึกว่าจะมีความสุขไม่มีจริงหรอก ใจมันจะฟุ้งซ่านนะคนโกหกกับคนพูดความจริงนะคนโกหกเนี่ยต้องคิดมากต้องจํามากใช่เนโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้สามคนนี้มันมาเจอกันแล้วต้องโกหกอย่างที่สีนะ่เพื่อให้มันสามคนนี้มันเชื่อเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนั้นะคนพูดความจริงนะไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานนะใจสบายใจสงบนะหรือคนที่เล่าเมายาฟุ้งซ่าน เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่มีสติคนซึ่งไม่ได้ที่เล่ามเมายามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ใจสงบง่ายดังที่เราถือศีลถือศีล น, นะ้เพื่อกวักูงให้เกิดสมาธินะถ้าศีลเราด่างพร้อยสมาธิที่มีจะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆใครรู้จักเทวทัตไหมรู้จักเทวทัศนต ร, รู้จักด้วยเหรอหลวงพ่ อ, อไม่รู้จักเลยห <laughs> น้าตาเป็นไง เคยได้ยินชื่อนะได้รู้ประวัติถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นนะหรืออาจจะเคยเห็นนะแต่เราตกนรกพร้อมเทวทัตแต่เราขึ้นมาก่อนเนะทวาท่ัตยังไม่ขึ้นมาเทวทัตนนะี่ยสมาธิดีนะแต่ทําบาปทําผิดหลายข้อทําสังฆเพศทํำอะไรเงี้ยสุดท้ายสมาธิก็เสื่อมขนาดสมาธิเก่งขนาดสแสดงอภิญญาได้อย่างเสือ่อมได้อภิญญาทั้งหลายตัวแปลงตัวได้ หอเคื่นเดินอากาศได้อนะไรเงี้ยสุดท้ายต้องให้คนหามมา้าดพระพุทธเจ้าไม่มีริ์มีเดตอะไรเหลือเลยงั้นเราตั้งสมาธินะถ้าเราไม่มีศีลสมาธิเราไม่มั่นคงสงบเดี๋ยวก็เละเทะไปแล้วละงั้นตั้งใจถือศีลห้างานที่สองที่เราต้องฝึกก็คือฝึกสมาธิการฝึกสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดหรอกสมาธิที่เข้าทรงเข้าฌานเลยนะมันลึก มันเหมาะกับคนบางคนหน้าตาอย่างพวกเราเนี่ยนะเข้าฉานยากวันวันมันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านใครเป็นคนฟุ้งซ่านยกมือซิมีไหมโอ้โหนี่ไม่ฟุ้งอะ่ะ <laughs> เนื้อไม่ฟุง้งเขตก บ, บานใช <laughs> แสดงว่าดูไม่เป็น <laughs> คนรุ่เรานะฟุ้งซ่านแค่เราเดินออกไปหน้าถนนหน้าร้านเ็ไม่มีป้ายโฆษณาเต็มเลย ชวนให้เราฟุ้งซ่านทั้งนั้นเละให้อยากกินอันนี้ให้อยากเที่ยวอันนี้ให้อยากซื้ออันนี้นะมีแต่ยั่วกิเลสเราตลอดเวลาเลยไม่เห็นมีป้ายสัญอักษเลยบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจอะไรเงี้ไม่มีป้ายอย่างนี้เงินภาษาที่มายั่วใจของเราให้ฟุ้งซ่านเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเราก็หามาเพิ่มน้ำโดยการเล่นเฟสเล่นไลน์นะ <laughs> ใครชอบเล่นไลน์บ้างเห็นไหม สารภาพอะถ้าเล่นเพื่อทํามาหากินไม่เป็นไรนะถ้าวันๆแนะล้วหลวงพ่อเคยเจอพวกไปอยู่วัดอ่นะะไม่รู้ว่าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่ออยู่ในศาลามองแล้วาเขาเดินจงกรมแม้น่าอนุโมทนานะเดินมาถึงทีงนี้นะตาก็แอบมองมือถือนะว่ามีอะไรเข้ามาไหมยังไม่มีก็เดินไปทางโน้นนะมาสุดปลายทางรีบเดินมาอใหญ่เลยนะเดินมาเพื่อจะมาดูว่ามีอะไรไมาหรือยังโอ้ ย, อยางงี้มันจะไปสงบได้ไงเใช่ไหม สิ่งย่วย่างเงี้ยเยอะๆๆๆมากเลยงั้นเราไม่สามารถทำสมาธิลึกๆอย่างรุ่นครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์นั่งสมาธิกันทิงหลายๆชั่วโมงของเราสงบสักห้านาทียังยากเลยเราก็ชอบพูดว่าเด็กรุ่นนี้สมาธิสั้นหรืเพราะว่าผู้ใหญ่ก็สั้นนะไม่เฉพาะเด็กหรอกเราฟุง้งซ่านกันแหลกหลานเลยงั้นสมาธิที่ลึกๆเนี่ยนะทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจ การปฏิบัติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้มีหลายแบบแบบที่หนึ่งนะใช้สมาธินําปัญญาเข้าสมาธิก่อนเข้าฌานพอออกจากฌานมานะมาพิจรารณาร่างกายมาดูความจริงของร่างกายนะดูรูปธรรมอีกพวกหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิอย่างพวกเราเนี่ยต้องใช้ปัญญานําสมาธิใจเราไม่เคยสงบนะถ้าเราจเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นทีหลังหูวงพ่อกล้าพูดเลยนะ อย่างพวกที่เรียนอยู่หลวงพ่อเนี่ยทุกวันเนี่ยสมาธิดีขึ้นเยอะเลยบางคนนั่งสมาธิได้นานๆด้วยซ้ำไปเดินจงกรมได้จิตสงบจิตตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานก้าวไปสู่การแยกธาแยกขันธ์ได้สมาธิที่จำเป็นเนี่ยแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเนี่ยพอแล้วสำหรับการเจริญปัญญาในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าท่านเคยชีย้ให้ดู บอกฟิสูทั้งหลายเนี่ยมีพระอราหันต์อยู่ทั้งนี้ห้าองค์ในบรรดาพระอราหันต์ห้าร้อยองค์นะมีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามวิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนล้างกิเลสได้มีหกสิบองค์จาก500ร้คือสิงเปอพระอราหันต์ที่ได้อภิน ญ, ญาหนะมีหูทิพตาทิพมีฤทธ์มีอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ล้างกิเลสได้นะมีอีก60องค์ พระอรหันต์ที่เป็นอุปโตภาควิมุตต์คือได้อรูปฌานมีอีกหกเนี่ยท่านเหล่านี้จะเป็นพวกที่เล่นดิษเล่นฌานเล่นฌานพระอรหันต์ส่วนใหญ่พระอรหนส่วนใหญ่คือคนอย่างพวกเราไม่ใช่พวกมีดิษมีเดชอะไรไม่ใช่พวกเข้าฌานได้แต่ว่าพอท่านบารรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านจะได้ฌานแถมมาทุกองแล้วยางนั้นปฐมฌ า, านได้ทุก แต่ว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็เหมือนพวกเราอย่างนี้แนหะฟุ้งแหลกฟุ้งลานนะแต่ว่าสังคมสมัยก่อนไม่มีสิ่งยั่วมากเท่าเราหรอกเราความฟุ้งซ่านรุนแรงเพาสิ่งเรามันรุนแรงมากนะยั่วกิเลสเรารุนแรงงนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิทีละขณะทีละขณะอย่าดูถูกพระอรหารส่วนใหญ่มาด้วยพิธีนี้ด้วยซ้าไปวิธีที่จะฝึกสมาธิชั่วขณะทํำยังไงแบ่งเวลาไว้นะวันหนึ่งสักสิบห้นาที ไม่ต้องเยอะขอสิบห้านาทีจะถวายฟุตธทเจ้าได้ไหมพวกเราอะ่ะถ้าใครไม่ได้อย่าบอกว่าได้นะนะถ้าบอกว่ายังให้ไม่ได้หรอกอย่างเสียดายสิบห้านาทีเนี้ยเอาไปทํากิเลสได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็อย่ามาหลอกนะแต่ถ้าตั้งใจไปได้นะตั้งใจให้เด็ดเดียวนะหลวงพ่อขอวันหนึงสิบห้า 1, นาทีเท่านั้นอนะ่ะสิบห้านาทีเนี่ยเอามาไหว้พระสวดมนต์สองสามนาทีนะไม่ต้องไหว้ยาวจนกระทั้งหมดสิบห้านาทีนะ ไหว้พระสวดมนต์สักสองสามนาทีนับมวยมันจะโชคมวยมันยังต้องไหว้ครูเลยแต่ถ้ามันไหว้ครูสักห้ายกเลยเนื้อน้ำคงไม่มีใครดูใช่ไหมถูกไล่ออกงั้นเราไหว้ครูไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไหว้พระเสร็จแล้วนะใจเราก็สบายะเวลาสวดมนต์อย่ารีบสวด น, นะใครเวลาสวดมนต์แล้วลาคาญเบื่ออยากรีบสวดเร็วๆมีไหม ลังสมานุฑุพระพุทธองค์อะไรแบบนี้นะจบแล้วสบายใจนอนได้แล้วอย่างนี้สมาธิไม่เกิดหรอกะส่วนวันนั้นนึกถึงพระเจ้าไปอรหังซัมมาสัมุทูพระกว่าอะไรนะให้ใจมันสบายใจมันมีความสุขนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ไปเวลาเรานึกถึงพระุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหรือเรานึกถึงคนดีๆนะอย่างเรานึกถึงพระเทพนึกถึงในหลวงอะไรเงี้ยถ้าคนดีๆทุกใจเราใจจะสงบ สมาธิเริ่มเกิดตนะั้งแต่เราเริ่มสวมดมนต์แล้วล่ะนะถัดจากนั้นเนี่ยเราจะนั่งทำสมาธิหรือจะเดินจงกรมก็ได้นะพอในเวลา15นาทีนี้เท่านั้นนะนะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆอยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเดินไปก้าวไปนะแต่ละก้าวแต่ละก้าวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเน้นที่ความรู้สึกตัวนะไม่ได้เน้นที่ความสงบนะสมาธิแต่ว่าความตั้งมั่นของจิต หมายถึงจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตรู้เนื้อรู้ตัวภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะตรงกับคําว่าสมาธิดีมากเลยคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว น, นั่นแหละคือสภาวะของสมาธิที่จําเป็นคณิกสะสมาธินั่นแหะสมาธิที่จําเป็นสําหรับการทําวิปัสสนาหรือการเรียนรู้รูปนํากายใจงั้นเราในเวลาที่เหลือนะจาก15บห้านาทีทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปที่อื่นเช่นเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสบายใจแวบเดียวมันไปคิดเรื่องอื่นละนะคิดเรื่องจะดูหนังฟังเพลงจะไปเที่ยวจะไปเล่นเฟสเล่นไลน์ให้เรารู้ทันเวลาใจมันหนีไปนะมาอะไรระพ่าวจะพาให้ดูใจที่หนีนะอ่ะต่อไปนี้นั่งสมาธิทำใจสบายๆแล้วก็เลิกคิดจะไปคิดอะไรเฉยๆทำใจเฉยๆ คิดไหมคิดใช่ไหมไม่ห้ามนะเนี่ยนั่งแล้วก็รู้ทันใจที่หนีไปคิดนะไม่ใช่นั่งเราห้ามคิดนะเพราะธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไม่ทำอะไรที่ผิดธรรมชาติแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันคิดเนี่ยมันลืมตัวเองอย่างขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่เรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจนะงั้นคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ แต่เป็นนี่นะเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวนะอย่าไปเพ่งลมหายใจนะแค่นั่งไปแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจแค่รู้สึกว่าร่างกายมันหายใจอย่าไปบังคับให้สงบนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วถ้าใจมันหนีไปคิดหรือมันหนีไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันทีมก็หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทีมก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันพวกเราติดสมาธิชนิดที่เพ่งลมหายใจเพ่งลมหายใจนะมนจะไปทางชานทางอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเราจะฝึกแค่คณิกะสมาธินะี่ไม่ยากอะ่นะเรารู้สึกตัวรู้ท่านตัวนะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เปนทั้งตัวนี่แหลนะเรายิ้มหวานซิทุกคนยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มเหมือนมีคนมาบอกรักเราครั้งแรกนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเราไม่ต้องดูด้วยกระจกนะ เราดูด้วยความรู้สึกรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้านะรู้สึกไหมร่างกายหายใจเนี่ยแบบเดียวกันนะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปพอใจมันหนีเรารู้ทันใจมันหนีเรารู้ทันฝึอกอย่างนี้เรื่อยๆนะทุกวันทํารักสักสิบ้านาทีต่อไปพอเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยพอใจมันหนีแวบมันจะรู้สึกได้เร็วเราจะไม่หลงเป็นวัน ๆ, ๆอีกต่อไปละจะหลงนิดเดียวแล้วก็รู้สึกหลงแล้วก็รู้สึกหลงแล้วก็รู้สึก เวลาที่เราหลงแล้ว ร, รู้สึกหลงแล้ว ร, รู้สึกบ่อยๆนะสมาธิเราจะดีขึ้นดีขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีร่างกายไม่ลืมร่างกายมีจิตใจไม่ลืมจิตใจนะครัพอเรามีกายไม่ลืมกายมีใจไม่ลืมใจเนี้ยเนี้ยเรามีสมาธิเบื้องต้นนะมีคณิตศาสตนีเพียงพอที่จ ะ, จะเจริญปัญญานะปัญญาขั้นต้นๆใช้สมาธิม่เยอะหรอก จะปัญญาลึกเข้าไปพระณีทิขันไปนะชั้นสูงขึ้นไปสมาธิต้อมแก่กล้าพระนิทิแต่มันพัฒนาขึ้นเองไม่ต้องกลัวตอนนี้เราใช้สมาธิเล็กน้อยไปก่อนเคยได้ยินไ้มว่าพระโสดา บ, บันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยนั่นโสดา บ, บันนะของเราอะศีลก็ไม่บริบูรณ์สมาธิน้อยมากเลย <c oughs> ปัญญานิดนึงอย่างเงี้ยนะ พระโสดาบันไม่ได้เยอะอะไรกว่าเราเท่าไหร่สมาธิก็มีนิดหน่อยสมาธินิดหน่อยหมายถึงว่าจิตเนี้ยหนีบ่อยเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบเดี๋ยวก็แวบนะบางทีแวบไปนานๆด้วยซ้ําไปนะแต่ถ้าสักคาคาเนี่ยสติเร็วแล้วนะจิตไหลไปวูบหลงไปเนี่ ย, แ ป, ยแป๊บเดี๋ยวรู้สึกแป๊บเดี๋ยวรู้สึกละจะคนละระดับกันอย่างพวกเราเนี่ยไหลแวบไปตั้งแต่เช้ายันเดืนก็มีนะอไม่ยอมรู้สึกเลยนะคนซึ่งไม่ภาวนาเนี่ยหลงกวันละครั้งเดียว หลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่รู้สึกตัวเลยแต่เราหัดภาวนานะ แ, แรกแรกอ่ะเราจะรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เผลอไปยาวๆแล้วรู้สึกอีกทนะีนานๆรู้สึกทีหนึ่งนะพอเราภาวนาเก่งขึ้นนะรู้สึกตัวอยู่ใส่แว บ, บรู้สึกแวบ็บรู้สึกแวบบรู้สึกแล้วเราวันๆหนึ่งเราจะหลงมากมายหลงเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นแสนครั้งเลยนะยิ่งหลงจํานวนมากยิ่งดีแสดงว่าสติเกิดบ่อย ถ้าประเภทหลงวละครั้งเนี่ยมัไม่ได้กินแล้วสติไม่เกิดเลยนะถ้าสติเกิดขึ้นหนึ่งครั้งก็เจะหลงสองครั้งมีสมการนะหลงเนี่ยเท่ากับสติบวกหนึ่งเราใจลอยอยู่นั้นรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ใจลอยต่อเหลงมีสองอันมีสติตัวเดียวมันะจะแพ้กันอยู่หนึ่งอย่างเงี้ยนะค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งในที่สุดสติเราถี่ยิบขึ้นมานะเราจะรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวจะเด่นดวงขึ้นมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวหมายถึงว่ามีร่างกายไม่ลืมร่างกายมีจิตใจไม่ลืมจิตใจนะไม่ใช่ลืมตลอดเวลาใช้ไม่ได้หรอกอา้าหายใจตอนนี้หายใจอยู่หรือยังทำไมหลวงพ่อบอกอา้าหายใจทําเหมือนว่าเมื่อกี้ไม่ได้หายใจ <laughs> หายใจอยู่แล้วนะเอานั่งสมาธิ บอกให้นั่งก็ต้องรีบขยับใช่ไหมตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วให้ใจมันมีสมาธิให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะหายใจไปพุโทโธไปก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจไปสบายสบายจำประโยคนี้ให้ดีนะเห็นร่างกายหายใจสบายสบายนะไม่ใช่ไปเพ่งลมหายใจนะถ้าเพ่งลมหายใจจะไปเล่นทางฌานทางกระสินทางอะไรพวกนั้น ถ้าเราจะเอาสมาธิเบื้องต้นเนี่ยแค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกมากๆนะใจจะไม่ลอยรู้จักกันว่าใจลอยไหมใจลอยก็ตรงข้ามกับจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยคือไม่มีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือมีสมาธิถ้ารู้ทันว่าใจลอยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นหลักนะถ้าเรารู้ทันว่าใจลอยไปจิตใจจะกลับมารู้สึกตัว ใจจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมางั้นเราฝึกในส5บห้านาทีเนี่ยคอยรู้ทันเวลาใจลอยทุกคราวที่รู้ว่าใจลอยสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นนี่พอสมาธิเกิดบ่อยๆนีอ่ออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะใจลอยแว บ, บเนี่ยมันจะรู้สึกเองจะไม่ลอยนานจะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนี่พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยงานของเรางานที่สำคัญที่สุดเลยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ ที่มีศัพท์เฉพาะว่ามีปรัชนากรรมฐานพวกที่เข้าข้อสมีปรัชนาะนะหลวงพ่อไมาเห็นว่าทำมีปรัชนาเลยส่วนใหญ่ไปเพ่งนะดูท้องฟองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็เพ่งเท้าไม่ใช่วิปรัชนาการ ร, รู้ร่างกายการรู้จิตใจไม่ใช่วิปรัชนาแต่การเห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปรัชนางั้นอย่างเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปรัชนาแต่เรียกชื่อไปอย่างนั้นนะว่าวิปรัชนา แลแต่ถ้าทําเป็นนะเราก็เห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่พองไม่ใช่เราตัวที่ยุบไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นพิปปัสนะก้าวไปอีกชั้นหนึ่งก้าวไปเห็นความจริงของรูปนามถ้าลาฟังเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามยังไม่ใช่วิปปัสนะนี่พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจได้นะอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ขณะนี้เราหายใจอยู่ขณะนี้เราเดินอยู่อนนี้จะรู้สึกรู้สึกในรูปธรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ หรขณะนี้จิตใจเป็นสุขขณะนี้จิตใจเป็นทุกข์ขณะนี้จิตใจดีขณะนี้จิตใจโลบกรุดหลงนะอันนี้ยังไม่ถึงวิปัสนานะเงแค่เห็นสภาวะท่านเห็นนามธรรมานะแต่ว่าต้องเห็นสะกอนะพอเราเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมาแล้วอยากเข้าไปแทรกแซงอยากเข้าไปแทรกแซงนะร่างกายหายใจหายใจมันปกตินี่แหละนะไม่ใช่ว่าหายใจต้องมีกี่กระบวนท่านะเดินแต่ละก้าวมีกี่กระบวนท่ามันมีกระบวนท่าหรอก คนขาสั้นขายาวเดินไม่เหมือนกันเสคนขาพิการเนีเดินกับเหล็ก ก, กับเหล็กถามว่าเดินจงกรมได้ไหมเดินไดน้ไม่ใช่ว่าต้องเดินเหมือนกันเป๊ะเปเปไม่จมําเป็นเลยทางใครทางมันจุดสําคัญคือความรู้สึกตัวเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวหายใจอยู่ด้วย<ๆ>ความรู้สึกตัวมีความสุขก็รู้สึกตัวมีความทุกข์ก็รู้สึกตัวของเราเวลามีความสุขก็ลืมตัวนึกออกไหมเวลาสุขเราจะเพลินนเพลิน เวลาทุกข์ก็ลืมตัวอีกนะกลุ้มใจโอ้ตายแล้วนะบางคนมีปัญหากับหัวหน้าเงนี้กลุ้มใจนึกถึงที่ไรกลุ้มใจเมื่อไหร่มันจะตายสักทีอะไรนะอย่างนี้ไม่ไม่รู้สึกตัวละงั้นอย่างพวกเรานะเวลาสุขเราก็ลืมตัวเวลาทุกข์เราก็ลืมตัวเวลาใจเป็นกุศลเราก็ลืมตัวนะบางที อย่างเวลามาฟังเทศบางคนแนละ้วมาฟังเทศเจอหน้าหลวงพ่อนะปื้มตาโยอมอย่างนีเห็นแล้วขันไม้ขันมือมันไม่มีสตินะมันเรียนอะไรอย่างนั้นบางคนก็โลภโกรธหลงขึ้นมาไม่รู้สึกตัวนะอย่างบางคนไปเดินศูนย์การค้าห้างสรพรพสินค้าอะไรเงี้ยกะว่าอากาศร้อนๆจะไปเดินเอาแอร์จะไม่ซื้ออะไรหรอกเพลอแว บ, บเดียวนะขนของอมาเต็มเลยนะรูดบัตรไปตั้งเยอะแล้วนะ ขนของขึ้นมากลับบ้านนะเวลาโลภมาแล้วไม่รู้สึกตัวเ น, ะนี่ยคนทั่วไปนะมันสุขมันก็ลืมตัวมันทุกข์มันก็ลืมตัวเวลาใจดีมันก็ลืมตัวเวลาใจมีกิเลสมันก็ลืมตัวแล้วค่อยฝึกรู้สึกรู้สึกนะอย่าให้ลืมตัวความรู้สึกตัวนะั้นเป็นฐานที่สําคัญเป็นจุดตั้งต้นที่สําคัญของการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะรู้สึกตัวไปบ่อยต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึก เงินแบ่งเวลาไว้ฝึกนะวันหนึ่งอย่างน้อยสิบห้านาทีถ้าสิบห้านาทีไม่มีเวลาตอนกลางคืนนะกลับบ้านง่วงเต็มทีแล้วตื่นเช้าให้เร็วขึ้นสิบห้านาทีไม่ตายหรอกนะฝึกตั้งแต่เช้าเลยหรือว่าซอยเวลานะมีเวลาชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยมีเวลาสักสองสามนาทีห้านาทีนะซอยมันไปนเล่เล่นบรรทุกชั่วโมงเลยนะใครจะรู้ว่าเราปฏิบัติหลวงพ่อก็ทํางานตอนพินโม เวลาอยู่ที่ทำงานเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งนะก็เดินไปห้องน้ำทีหนึ่งที่จริงเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปหรือว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึกของเราอยู่เรื่อยๆนล้วเราฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็มาดูร่างกายมาดูจิตใจมันทำงานเอาขณะนี้ทุกคนลองยิ้มหวานๆสิลองยิ้มหวานๆนยิ้มแบบมีความสุขให้ใจมีความสุข รู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองพยักหน้านะพยักรู้สึกไหม้ร่างกายพยักหน้าขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหม ส, สังเกตไหมว่าร่างกายที่นั่งกับใจที่เป็นคนรู้สึกน่มันคนละอันกันเนี่ยตัวนี้พยักหน้าใช่ใจที่เป็นคนรู้สึกกับร่างกายที่ถูกรู้สึกถูกรู้อ่คนละอนกันไปฝึกนะแต่อไปก็ฝึกให้ละเอียดขึ้นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ ขณะนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือซิมีไหมหลวงพ่อจะจําไว้ขณะนี้ใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิอะไรสุขด้วยทุกข์ด้วยเอาขณะสี่ขณะในหนึ่งขณะเนี้ยสุขกับทุกข์ไม่เกิดพร้อมกันหรอกนะขณะนี้ใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์มีไหมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสามชนิดนะสุขทุกข์เฉยเฉยนะเราค่อยๆสังเกตไปความสุขขณะนี้ใครสุขยกมืออีกทีซิ สังเกตไหมว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเนี่ยค่อยๆหัดดูไปเงี้ยนะหรือใครมีความทุกข์ก็สังเกตไปความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าค่อยๆหัดไปร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอะไรๆก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าใจเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นโบราณนะที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้กรุมผู้แต่งแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะังนั้นจิตที่เป็นผู้รู้เข้ามาจิตมนจะตื่นนะจิตมจะเบิกบานตื่นยังไงตื่นขึ้นหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันจิตของคนทั่วไปเนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่เคยตื่นเลยตื่นเฉพาะร่างกายอย่างเนี้ยไม่ตื่นละฝันละเนยมันไม่ตื่น น <ati> so so so ี่เราค่อยๆสังเกตไปท่างกายก็ถูกรู้ความสุขทุกข์ก็ถูกรู้ความดีความชั่วก็ถูกรู้จิตใจก็ถูกรู้นะจิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปดูโน่นเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังอันนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะรู้ทันมันไปเรื่อยจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดรู้เนี่ยหัดดูมันไปนะเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายต่อไปเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นอย่างถ้าเราดูร่างกาย เหตุแม้ร่างกายหายใจออกเหตุแม้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ตายไปหายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่นั่งอยู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่ลุกขึ้นยืนเป็นร่างกายที่เดินเป็นร่างกายที่นอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ย่งขณะนี้ที่เมื่อกี้ถามว่าใครมีความสุขนะตอนนี้ใครมีความสุขบ้างยกมือสินะแล้วดูไปที่ความสุขสังเกตไหมว่ามันค่อยๆลดดีกรีลงค่อยๆลดลงนะเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของมันนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ โรคหลดหลงเกิดแล้วก็ดับนะความดีเกิดแล้วก็ดับมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศน์สังเกตไหมบางคราวก็ดูหน้าหลวงพ่อบางคราวก็ตั้งใจฟังบางคราวก็ฟังนิดหน่อยแล้วก็หนีไปคิดนีคิดทบทวนว่าหลวงพ่อสอนอะไรฟังกับคิดฟังกัคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมเนี่ยสังเกตดูจิตที่ฟัง นะอยู่ชั่วคราวเราก็หายไปเกิดจิตที่คิดสังเกตไม้มว่าเราฟังไปคิดไปดูออกไหมไปดูสังเกต น, นะจริ ง, รงๆเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังสลับกับคิดอย่างเวลาเราดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นะตาเราดูหูเราฟังใจเราคิดนะสลับกันไปเรื่อยๆขณะที่ตาเห็นหูจะไม่ได้ยินขณะที่หูได้ยินตาไม่เห็นขณะที่ใจคิดมีตาก็เหมือนไม่มีตา นะมีหูก็เหมือนไม่มีหูอย่างเวลาเราคิดอะไรเพลินๆ น, นะคนมาเรียกชื่อเราเรายังไม่ได้ยินเลยนีอย่ออกไหมก็จิตไม่ออกมารับรู้จิตมารับรู้อารมณ์ได้ครั้งละช่องเดียวนะทางตาก็ทางตาทางหูก็หูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่รับที่เราหลาใดช่องนะนั้นจิตเองก็เกิดดับนะสังเกตไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆสังเกตไหม มันไม่เทีย่ยงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตที่ฟังเก er ิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับสังเกตไหมจิตที่ฟังหรือจิตที่คิดเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดมันสลับของมันเองเนี่ยค่อยๆหัดรู้หัดดูไปนะดูลงไปในร่างกายให้เห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่คงที่เลยนะเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้านะร่างกายนี้ มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งก็เมื่อยใช่ไหมต้องขยับไปขยับมาะหายใจเข้าทุกข์ไหมลองหายใจเข้าซิเข้าให้ยาวสุดโลกเลยทุกข์ไหม <laughs> หายใจออกซะออกให้สบายเลยเออกสบายออกให้หมดเลยออกไปเรื่อยๆแค่หายใจนะั้นก็สอนทุกข์ให้เราแล้วะร่างกายนี้ทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก นะทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถนั่งก็ทุกนอนก็ทุกนะเนี่ยร่างกายนะี่มันจะสอนธรรมะให้เราคือสอนทุกให้เราเห็นนะส่วนจิตใจเนี่จะสอนความไม่เที่ยงได้ง่ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลางั้นนํา ม, มาทำํำคือใจ น, นีแสดงอันนิจจนะ์ชัดเจนแล้วแสดงการบังคับไม่ได้ จิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเลือกไม่ได้ะสั่งไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเลือกไม่ได้อย่างตั้งใจจะไม่โกรธล้วก็โกรธเนี่ยเลือกไม่ได้งั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับให้ได้นะแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้วันนี้เทศดูเดือดนะเนื้อหาทั้งนั้นเลยเขาอัดเทสไปเดี๋ยวเรไปฟังซ้ํานะ ฟัรอบเดียวไม่เข้าใจง่ายๆหรอกนี้พอเราเห็นนะร่างกายนี้นะหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกยืนเดินนั่งนอนก็ทุกนี่รู้ความจริงถึงจุดหนึ่งจิตก็รู้ความจริงร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้าเรามาดูในจิตใจไหมมีแต่ความกลับกรอกแม่เที่ยงอะไรต่ออะไรทุกอย่างพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยดิ้นรนหาความสุขแทบตายแล้วแล้วมันก็หลุดมือหายไปดิ้นรนหนีความทุกข์แทบตายเลยเดี๋ยวความทุกข์ก็ไม่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นเจ้าของเลยนะ มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้อันนี้ก็จัดอยู่ในว่าเป็นตัวทุกข์เหมือนกันมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เราไม่สามารถโดมิเนตมันได้เนื่อเฝ้ารู้ความจริงของกายความจริงของใจนะจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายทุกข์เพราะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะว่าบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทุกข์ ถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งหมายถึงว่าเรารู้ความจริงแล้วว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยไม่ใช่ร่างกายนี้มีทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เรารู้สึกตอนนี้เรารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าเราเจริญปัญญานะรักษาศีลฝึกใจวันหนึ่ง15นาทีอย่างน้อยนะใจหนีเรารู้หนี่เรารู้ให้ใจอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวแล้วคอยรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกที่จิตใจปัญญามันจะเกิด จะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงการบังคับไม่ได้นะเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งนะจะรู้ร่างกายนี้มีแค่ทุกข์มากกว่ทุกน้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขจิตใจนี้ก็มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกน้อยเวลาที่จิตใจมีความสุขนั้นก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันแปรปรวนมันอยู่ไม่ได้นานแล้วถ้าเราภาวนาชำนาญเราจะรู้เลยความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นของที่เสียดแทงใจนะ ความสุขเนี้ยทําให้ใจสะเทือนใจไม่มีความสุขจริงอ่ะค่อยๆดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาแก่กล้ามรู้ร่างกายนี่คือทุกข์ล้วนๆเพียงแต่มากกัน้อยจิตใจคือทุกข์ล้วนๆมากกับน้อยนี่เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราจะละสมุทัยนะคือละตัณหาละความอยากโดยอัตโนมัติทุกวันนี้ที่เรามีความอยากนะเราอยากอะไรอยากทำโน้นทํานี่เยอะแยะอยากไม่เจอโน้อนอยากไม่มีนนี้นะ ย่อลงมานะสรุปลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เดี๋ยไปกินเหล้าอย่างเงี้ยนะก็อยากจะพ้นทุกข์กุ้มใจก็ไปกินเหล้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปเลี้ยงฉลองกินเหล้าเพื่อว่าจะได้มีความสุขเนี่ไม่ว่าเราทําอะไรแล้วเบื้องหลังมันน่ะคือวิ่งหาความสุขแล้วก็วิ่งหนีความทุกข์แต่ถ้า ส, สติปัญญาเราแก่กลา้ารู้เรากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ล้วรู้อย่างนี้แก่กล้าอย่างนี้นะการดิ้นรนมันจะไม่เกิดขึ้น จะดิ้นรนหาความสุขทําไมความสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีจริงจะดิ้นรนหนีความทุกข์ไปทําไมซึ่งมันหนีไม่ได้นะกายนี้ยังไงก็ทุกข์จะไปดิ้นให้มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้จิตใจนี้มีแต่ความกลับกรอกอะไรงนี้นะจะไปดิ้นรนให้มันคงที่สถาวรไม่มีทางเลยนะหรือเราเห็นว่าสุขทุกข์เนี่ยเป็นของแปรปรวนตลอดเวลาการดิ้นรนหาความสุขเป็นเรื่องไร้สาระการดิ้นรนหนีความทุกข์ก็เป็นเรื่องไร้สาระเท่าๆกัน ใจจะหยุดการดิ้นรนนะหมดความหิวโหวยหมดความอยากในใจงั้นท่านสอนว่ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่จิตปราศจากตัณหาจิตไม่มีความอยากนะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะอย่าไปเชื่อใอ้ที่สอนกันนะนิพพานมีพุทธเจ้านั่งเข้าแถวเข้าเถอะอะไรไม่ใช่นิพพานของศาสนาพุทธนั่นะมันนิพพานของพวกพรหมของอะไร น, ะนิมิตทั้งนั้นนะ่ะ นิพพานแท้จริงของชาวพุทธคือสภาวะที่สิ้นตัณหาถ้าเมื่อไรใจเราสิ้นความหิวโหยนะใจจะหมดความดินน้นรนใจจะเข้าถึงความสงบสันตินั้นอะไรเป็นลักษณะของนิพพานสันติคือลักษณะของนิพพานนิพพานมีสันติลักษณะนะนี่นค่อยๆสงเกดไปลักษณะของจิตคืออะไรลักษณะจริงของจิตคือการรู้อารมณ์ ลักษณะของสติก็คือรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นมาลักษณะของปัญญาคือเข้าใจนีแต่ละอันแต่ละอันมีลักษณะของตัวเองนิพพานมีลักษณะคือสันติมีความสงบสุขอยู่ภายในเข้าใจมันไม่หิวนะงนั้นไม่ใช่นิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะนั้นไม่ใช่นิพพานของฟุตถ้ามันจะเป็นโลกโลกหนึ่งโลกนั้นก็ยังแปรปรวนอีกนะทุกวันนี้มิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดนะ เรียนให้ดีแล้วก็ฝึกภาวนาท้ ว, วันหนึ่งเราจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเราจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลไม่มีความสุขอะไรที่เสมอเหมือนความสุขจากจิตที่ฝึกดีแล้วเลยนะพระุทธเจ้าสอนจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไปทำเอาหนะ้าสอนให้จนเสียแหบเสียแห้งไปอยู่ที่เราต้องฝึกเอาแล้วละนะอา้ามทรงวันบ้าน ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมตั้งแ่ปีสองพัสี่เจ็ดสองอะไรนะสองห้าสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดตั้งแต่สวนสันนิธฐาเรื่องตั้งช่วงใหม่ๆแล้วผมผมก็เห็นแล้วก็เข้าใจตามที่รูปนามรูปนามันแยกได้เขารู้เอาแยกแยกออกครับแต่ว่าข้าตานี่ประคองจิตอยู่ดูกอาไหมประคองครับรักษาไว้เพราะกลัวมันตึกเต้นไม่อยากให้มันตึงเต้น ไปดูไปรูปนามมันแยกได้แล้วต่อไปนี้ก็จะดูรูปไม่ใช่เราดูนามไม่ใช่เราเห็นครับ<ต>นั่นแหละดูจนมันพอดูจนมันพอตอนนี้ยังไม่พอครไปดูรอบรอบมันยังไม่ได้ใช่ไหมครับฮะรอบของการพิจารณามไม่ได้ใช่ไหมครับเครื่อปฏิบัตินาะมสมถะอริปัสสนาเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเวลาเราดูรูปนามแสดงใจรั ก, กนะเนี่ยพอจิตมันหมดแรงนะมันจะไปเห็นรูปนามไม่เห็นใจรัก นั่นก็เป็นสมถะครับนะฝึกไปเรื่อยๆพอมันเห็นมากๆครับหลวงพ่อมันจะมีความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเรามันมันไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสักยะทิฏฐิยังอยู่แต่มีอยู่เอสังเกตไหมเวลาเราคิดเนี่ยเบื้องหลังการคิดมีเรามีอยู่ครับนั่นแหละครับถ้าเป็นโสดาเราไม่มีแล้วนะมันหลอกกันไม่ได้หรอกก็คือภาวนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ศีลดีเลยยังศีนนะครับศีลศีล ศีลเนี่ยหอศีลดีครับดีแล้วนะครับสมาที่ใช้ได้เดินปัญญาแต่จะยังฝุกสซ่านบ้างครับก็ก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านครับทําในรูปแบบนะแต่ไม่ได้ฝึกให้สงบคเข้าใช้ได้ดีครับอ่ะต่อไปแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ทําอะไรต่อครับให้ชีวิตที่เหลืออยู่เรียนรู้มันไปเรียนรู้มันไปครับนะเรียนรู้มันนะเรียนรู้รูปรู้นามมีมีรูปมีนามให้ดูก็ดูไปครัแล้วภาระหน้าที่ครับหลวงพ่า มีหน้าที่ต้องทําครับในชาวพุทธล้วบอกว่าทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างนะหรืออุเบกขาหมดพ่อแม่ไม่มีจะกินไม่อะไรเงี้ยอุเบกขาไม่ถูกนะ <laughs> มีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปครับคนที่ทิ้งหน้าที่ในทางโลกนะอย่าหวังเลยว่าจะทําหน้าที่ในทางธรรมหน้าที่ในทางธรรมเนี่ยทํายากกว่าหน้าที่ในทางโลกอีกอ่ะไม่กลัวจะแยกแนละ้ว รู้สึกไหมว่าไม่น่าจะมาสมัครเลยกล่าวละมัศการพระอาจารย์ปราโมทพระโมทโชว์สค่ะยกงไม่บอกซะด้วยเพราะวัดสวนสันติธรรมครั้งแรกที่มาฟังธรรมกับพระอาจารย์คารสวนมากก็ฟังซีดีค่ะหลงส่งกันบ้านครั้งแรกด้วยค่ะตื่นเต้นค่ะหนูเห็นไหมว่าใจเราเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้นะดูมไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเมื่อไรดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายเราก็เป็นคนรักสวยรักงามล้วก็ดูไปร่างกายนี้จริงๆแล้วไม่สวยไม่งามร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ดูงี้เรื่อยๆนะก็ดูแล้วจิตจะสลดสังเวชองหนวถ้าดูกายแล้วจิตจะสลดสังเวชได้ดีร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่คือเราขับรถ เราก็รู้ว่าเราขับรถอะไรอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่ใช่งั้นเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมีดูสองอย่างส้อนกันรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนะอย่างขณะนี้รู้สึกไห้ร่างกายมีอยู่รู้ด้วยปัญญารู้สึกไห้ร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า แต่เวลาขับรถเนี่ยอย่าไปฝึกเยอะนะเดี๋ยวจิตรวมปุ๊บไปเห็นไฟแดงสักว่าไฟแดงแล้ที่ที่สร็จฝึกอนาปนานสติอีกตอนนี้ค่ะ ท, <ำ S 2> ทุกจิตจริตหายใจให้ดูรู้สึกไหมบังคับจิตอย่าบังคับยิ้มหวานๆก่อนเออด้วยใจอย่างเนี้ยนะใช้ใจอย่างเนี้ยแลเห็นร่างกายหายใจเพียงแรงไปในนี้โมหะแทบ รู้สึกไหมหซึมไปแล้วลืมตาเงยหน้าขึ้นด้วยอ้าปากด้วยเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่ฝึกอย่าตะกี้ไม่ดีโมหะครอบนะงั้นนั่งสมาธิหายใจน า, นาปัญสติหายใจลืมตาหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายสบายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่้กากแล้วหลับตายอีกแล้ ว, ห ล, ลวหลับแล้วก็น้อมเข้าหาความสงบ การที่หลับตาแล้วน้อมเข้าหาความสงบนะโมหามจะครอบเอารู้สึกตัวให้ดีๆอให้โมหะมันครอบอ่ะ ค, ค่ะนี่ก็ใช้ได้แล้วละหลับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเจ็แปดปีแล้วค่ะครั้งนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกปัจจุบันก็เดินจงกรมทุกวันสามสิบนาทีแต่ว่า ยังอยากจะถามหลวงพ่อว่าจิตตั้งมั่นได้หรื อ, อยังติดมาตอบต่อเองติดตั้งมั่นขันแยกแนแต่ไปนี้ก็ดูมันทำงานมันไม่ใช่เราดูทำแค่นี้ใช่ไหมคะพาอโยมก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อมันทำอะไรไม่ได้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นจะไปทาอะไร ทำถูกแล้วนะเจ้าคะ่ะถูกแล้วล่ะแต่ใจฟุ้งซ่านเยอะไปนิดนึงงั้นทำสมถะบ้างค่ะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ได้นะค่ะแต่สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้จะบังคับให้สงบค่นะแตใจจะอืดอัดถ้าใจอืดอาดใจจะไม่สงบใช่ค่ะถ้าหายใจสบายเนี่ยใจหายใจแล้วก็หนีไปคิดแล้วเนี่ใจแล้วหนีไปแล้วให้รู้ทันว่ามันลงไปแล้ว ่คะทำถูกแล้วเจ้าค่ะไม่มีอะไระสมาธิอ่อนไปนิดนึงเจ้าค่ะสงสารพวกส่งกันบ้านนะบางคนบาคนส ำ, สำนึกผิดเลยไม่ไมลาสมัครเลยแบบในมนสกกรสกหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านในราวๆเจ็ดปีอะค่ะส่งนานจังคือวันหนึ่งได้ยินเสียงดังนะะแล้วรู้สึกว่ามันปวด ทีกลางอกเป็นแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากลัวเสียงอย่างเงี้ยรู้สึกใจมันทําให้ใจกลัวเสียงทําให้ใจปวดกลัวรู้ว่ากลัวนะถูกความกลัวครับงําไม่ดีนะเเสียบุคลิกภาพขี้กลัวไปให้กลัวให้รู้ว่ากลัวจริงๆแล้วมันกลัวตายรักตัวเองมันปวดแล้วที่กลางอกอืม อันนั้นโอเวอร์อย่างนั้นแสดงว่าไปเพ่งอยู่ถ้าเพ่งอยู่นะมีอะไรมากระทบเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าความเป็นจริงนะ om, ลดการเพ่งลงนี่การจะแทกแรงๆก็จะหายไปติดเพ่งนั่นแหละเห็นไหมแค่ฟังก็รู้แล้วว่าไปทำอะไรมา <c oughs> อ่ะต่อไปกลับนำ้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะใช้ได้แล้วล่ะแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าฟูงสั้นนิดหน่อย ปกติโยมฟุ้งซ่านเยอะมากค่ะก็ตอนนี้จะเห็นความฟุ้งซ่นฟุ้งซ่านก็ใช้อนาปานสติหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปโยมอยู่กับลมหายใจไม่ค่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวโยมก็หลุดไปอีกแล้วอะค่ะหลุดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยหลุดเรารู้ต่างหากอะไม่ใช่ว่าต้องอยู่นะก็ความคิดมันดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับจนบางทีสิ่งที่คิดยังไม่ทันดับเลยค่ะมันเกิดอีกแล้ว แล้วยอมยมก็เลยแบบจะทํายังไงยมก็ ม, มาพุทธแบบทม่ไทําไม่ได้อ่ะฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตสงบเลยค่ะของหนูเนี่ยใช้ปัญญานําสมาธิเอากานจิตฟุงรรรรฟ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเวลามองความฟุ้งซ่านเนี้ยมันจะเกิดดับรวดเร็วะะนเร็วมากเลย น, นี่ยังไม่ทันจะดับดีอีกตัวหนึ่งแทรกมาแลนะแทรกแทรกถ้าถ้าอย่างเนี้ยไม่ต้องดูทีละตัว ถ้ามันเกิดสภาวะอย่างนี้นะมองภาพรวมเลยว่าจิตกำลังฟุง้งซ่านถ้ามองภาพรวมนี้จิตสงบไปเลยแล้วโยนต้องแก้ไขอะไรไม่แก่มีปััสนาไม่มีแก่นะไม่มีคาว่าต้องเห็นไหมไม่มีแต่ไม่แก้คาว่าต้องไม่มีคาว่าห้ามนะรู้อย่างที่มันเป็นจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบกล้ากล้าหน่อย แล้วโยมจิตถึงฐานหรือยังคะถึงสิแต่ตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึงค่ะตื่นเต้อแต่ปกติถึงแล้วละค่ะทาไมถึงดูได้ไงขันมันแยกจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิพอสมควรเลยค่ะก็โยมเริ่มมาดูดูจิตตามดูตามรู้ค่ะโยมเริ่มรู้ว่าฟุงสืนอะรค่ะไรคือนะรคืะไือนะไรคือราืออะไรคืออะไรคือรืออะไรคืออะไรคือไออะไรคืออะไรคะไรคือะไออะะระอะ เราจิตเราวิ่งไปละแต่โยไม่ได้เห็นบ่อยนะคะอาจารย์ถ้าจิตวิ่งไปทางตาได้ไป <c oughs> ทางหูจมูกลิ้นกายใจให้รวมค่ะค่ะขอบคุณค่ะเบอร์ห้ากลุ้มใจจะแย่แล้วขั้นสุดท้ายเัาน <c oughs> สุดท้ายไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก <c oughs> ลับนมัสการอาจารย์ค่ะคือสมถะบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ ก็ S <S <ess> คือส่วนให่ก็คงจะตัวอะไรพูดอยู่รู้สึกไหมตัวอะไรถือไมล์เนี่ยหูไปดูนะดูร่างกายเยอะๆถ้าหนูนจะดูลั้งอย่าไปเพ่งร่างกายย่ง ไ, ไม่เรียกว่าดูกายอย่างนี้เรียกเพ่งใจมันจะแน่นๆแค่รู้สึกถึงร่างกายร่างกายปวดราะรู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายพยักหน้านรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกรู้สึกร่างกายบ่อยๆแล้วมันจะดีกว่านี้ต้องทาน งา้การบ้านเลยเสียเวลาตามนวัตกรรมค่ะวันนี้ส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะปีที่แล้วส่งที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะอเอามาเอาหน้ามาให้หลวงพ่อดูค่ะว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้น <c oughs> มันรู้ด้วยตัวเองไหม <c oughs> ก็ดีขึ้นค่ะ <c oughs> นะมันก็รู้ด้วยตัวเองแล้วมาถามทําไม <c oughs> <c oughs> แตแบบมันไม่มีอะไรแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเลยค่ะมันดีสิ่งดีอะไรดีแต่ว่าแบบ มันตอบไม่ทรอะค่ะอย่าโลภสินะาใจมันโลภจะเอาดีเยอะๆยะรู้ไปอย่างที่มันเป็นค่อยๆดูไปทุกวันทุกวันนะคร e ูบาอาจารย์เคยสอนหลงพ่อว่าการปฏิบัตินั้นเขาทำกันตลอดชีวิตไม่ใช่รีบรีบรีบทำแล้วให้เสร็จเสร็จไป e e เหมือนงานต่างโลกรีบรีบได้ทำทุกวันค่ะก็ขายของก็เดินไปก็ดูตัวเอง ไ, ไปแล้ววันนะเออดีแล้วละฝึกไปขอบคุณค่ะ การหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกอืมที่นี่ดีนะส่งการบ้านครั้งแรกเยอะเลย <c oughs> บางที่นะ <c oughs> เห็นหน้าก็เบื่อเบื่อแล้วเธอส่งแทบทุกวันเลยฟังฟังซีดีมาประมาณสอปีกว่าอืมเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะรู <c oughs> ้สึกอืเรารู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องให้ใครมาพยากรรับรองเราก็ดู ศีลนะดีขึ้นไหมศีนดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่ไม ป, ปกติเราคารวาสจะถือศีนให้เพอร์เฟกน่ายากพระเจ้าบอกสำนวนแขกนะคารวาสจะถือศีนให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังนะที่ขัดไว้ดีแล้วเนะี่ยยากงั้นเราเป็นหอยสังที่ยังกระดำกระด่างบ้างช่างมัน <c oughs> <c oughs> ดีกว่าไม่ขัดเลยค่อยๆฝึก จิตใจอยู่กันเน้อก็ตัวได้บ่อยขึ้น ด, ดีนั่นแหละรู้สึกไม้มกายกับใจโคละอนกันนั่นแหละ แ, แยกขันรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เรากลัวใจมันกลัวครับเราจะมองลงไปนะมันรักกายมันใจมันทนไม่ไหวค่อยๆดูไปเร า, เราดูการบ้านของหนูคนดูดูไก่เรื่อยเรื่อยดูไ ก, กยไม่ใช่เราไปเรื่อยเรื ตัวนี้เป็นการบ้านที่ยากนะยากบางคนไม่กล้าดูอะกล้ากลาาไว้สังกิเลตอะไรเห็นมันก็เห็นเองแหละดูไกลบ่อยๆแล้วเราจะเห็นกิเลสชัดอ่ะข อ, อขอบคุณค่ะก่อนสุดท้ายลนะช่วงนี้ติดเพ่งเยอะเลยค่ะหลวงพอ่อใช่ถูกแล้วเพ่งเราก็โลภเราก็จัดการตลอดเลยก็โลภแหละถึงเพ่ง <laughs> หนูหนูก็ตามดูอยู่แต่มันก็ยังเป็นเยอะอยู่เลยค่ะหลวงพ่ออยากให้หายอยากให้หายแล้วก็หนโทสะเป็นชงชื่เอ อ, เ อ, อนั่นแหละให้รู้เอาทําไมจะต้องดีด้วยคือเหมือนจิตมันยังไม่เข้าใจอะค่ะหลวงพ่อแบบหนูก็พยายามสอนมันแล้วมันก็ไม่ฟังความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั่นสอนเรื่อยๆนะ <c oughs> ที่จริงเราพูดพยายามไปงั้นจริงโลกหนูดูไปเรื่อยๆนะ ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสอนมันไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอยู่ไม่นานก็แตกดับความรู้สึกทั้งหลายนะ mm hmm. ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกสิ่งมีแต่ของชั่วคราวขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดนะสอนไปเรื่อยๆแล้วจะดีเราเราสอนจิตเราเองใช่ไห ม, มคุณผูสอนจิตไปเนี่ยอบรมมันไปดูสิร่างกายนี้นะอยู่ชั่วคราวไม่นานก็แตกดับไป ความรู้สึกทุกชนิดในจิตใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องหายไปดูอย่างนี้เรื่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆ<ม>พวกติดเพ่งต้องใช้การคิดพิจารณา<ม>นะพิจารณาลงที่กายที่ใจอย่างนี้แหละขอบพระคุณค่ ะ, ะหมดละนี่เสร็จในหนึ่งชั่วโมงค่ะ <laughs> <c oughs> นักโอกาสต่อไปนะคะ ขอให้พวกเราน้อมกายวาจาใจกราบขอพระคุณหลวงพ่อ <c oughs> พร้อมๆกันก่อนนะคะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตกล่าวนำถวายสังฆทานพร้อมๆกันนะคะข้า <c oughs> พเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ขอน้อมถวาย <c oughs> สังฆทาน กับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทชูขอหลวงพ่อโปรดรับสังฆทานกับเครื่องบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกันล้นานเธอะนนอะรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปฏิปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิ ป, ปะเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนโตสังกปาจันโทปรรโสยธถามณนิโชติรโซยธา สัพพิติโยวิวัชิชนตูสัพโรโควินสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะาอภาิวาทนาศีลิสนิจังวัทฐาปจายิโนจ ต, ตารโธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังหลวพ่ออนุมโมทนานะผู้จัดงานอุตสาจัดงานเสียไรายได้ไปเยอะเลยเพราะว่า ปิดร้านไปสามชั่วโมงอ่ะเนื้อโมทนาคุณพอน่าดีนะเออแต่ว่ามันยังบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไปสบายๆนะสภาวะแห่งความรู้ความตื่นมันมีเป็นธรรมชาติอันนี้มันตื่นแล้วเราก็เดินปัญญาเราไม่บังคับจิตนะนี่ยังแทรกแซงจิตอยู่ให้รู้ทัน น่ภาวนานดีเห็นไหมมันทำงานได้เองทำถูกเราหน้าแต่มันยังไม่ล้างกิเลสดูออกไหมมันมีเราซ่อนอยู่หลังความคิดนี่เราค่อยรู้ทันภาวนานไปนะดีเท่าล่ะจิตนั้นเด่นดวงมากเลย